พวกเราทุกๆองนะที่เป็นพระเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีเวลาน้อยก็มีแล้วกับบวชประจำก็มีก็ให้ส้าเนียะซ้นึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระให้ทางอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมพินัยจากนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่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 ก็เป็นเครื่องทตีกรอบทํารั้วไม่ให้จิตออกไปนอกลูนอกทางศีลไม่ว่าศีลห้าไม่ว่าศีลแปไม่ว่าศีลสิบไม่ว่าศีลสองยยีสรุปแล้วก็คือให้ใจของพุทธบริษัทสีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ให้ออกนอกลูนอกทางให้อยู่ในกรอบ ของศีลเพื่อจะได้เดินไปสู่มรรคส่ผลนิพพานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราผิดศีลออกนอกรูกนอกทางสเปสปาไปเรื่อยการเดินทางก็ล่าช้าเพราะนั้นศีลที่พระพุเทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ก็คือตีกรอบสองข้างเอาไว้ศีลสินเ2็ข้อดของพระ ของญาติโยมก็คือสินแปดสินห้าะถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของสินห้าเนี่ยก็พิจารณาดูก็แล้วกันหลวงพ่อว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือน่าเลื่อมใสไม่น้อยสำหรับผู้มีสินห้าถ้ามีสินแปดเข้าไปอีก ย, ยิ่งดียิ่งหน้าเคารพกราบไหว้เห็นไหมแม่ขาวแม่ชีเขามีสินแปด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 ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นตุกสิทธิ์ขององค์หลวงปู่ก็ น, นามาแนะนําสั่งสอนพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนต่อไปตามไม่จริงพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมภาวนาของพระ อ, องค์จิครนต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ก็เพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า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 ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้ภาวนาบริกรรมพทรุพโทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจนั่นแหละจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอันดับแรกก็คือกรรมฐานท่านะเกสาโลมานขาทันตาตะโจที่อุปชาให้แก่พวกพระพวกเนน ผ่าประชาสอนกรรมฐาน5เกษาโลมานัขาทันตาตโจตโจทันตานัขาโลมาเกษาอันนี้คือกรรมฐาน5สําหรับสอนพระศอนเนนก่อนที่จะบวชเกษาคือผมโลมาคือขนนากขาเล็ดทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานให้พิจารณา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 ให้เข้าใจเออกรรมาฐานห้าพิจารณาอย่างนี้ไปก่อนนะคล้ายๆว่าเ อ, อ เ, ออ เ, ออเอาลูกกระสุนให้สองสามนัดเพื่อยิงสู้กับศัตรูที่เป็นกิเลสว่างั้นเถอะทําให้พิจารณากรรมาฐานหานี่ยออกิเลสกามราคาโทสะมันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราพระะนั้นพระอุปชาจึงเอาลูกกระสุนไว้ให้หนัดนะ เ, ออเพื่อยิงกิเลสว่างั้นเถอะจากนั้นท่านก็ให้พิจารณา สอนวิธีการยิงให้ด้วยยิงแบบไหนยิงจะถูกต้องยิงแบบไหนอย่างที่มันจะผิดเป้าหมายยิงไงจึงจะถูกเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีจุดประสงค์อะไรถึงท่านจึงให้กรรมฐานห้าอย่างนี้เนี่ยอุปชาก็สอนสอนอธิบายแบบรวบรัมเนี่ยว่ากรรมฐานห้าจากนั้นก็ท่านสอนให้ลึกเข้าไปอีกทเนี่ต่อมาทเนีเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็ควรศึกษาให้ละเอียดเข้าไปอีกทนี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 นานเท่านานาสรุปแล้วก็คืออายุไขไปของไขของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้พิจารณาว่าร่างกายของมนุษย์นี่เป็นยังไงมีอาการสาสสองอยู่ในร่างกายของเราแล้จากนั้นก็มีกระดูกเป็นโครงสร้างถ้าไม่มีกระดูกเป็นโครงสร้างร่างกายนี้ก็มันก็มีตะหนังมีตะเนื้อ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 ของกิรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายตายแต่พระพุทธเจ้าสนใจกับในร่างกายนั้นมีอะไรพวกเราทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ความสนใจนันก็คือใจในร่างกายนั้นมีนามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเรียกว่านามธรรม จะไปช้ําแหละจะไปตัดไปอะไรออกจากร่างกายก็จะมองไม่เห็นส่วนานามธรรมตัวนั้นตัวผู้รู้ตัวนั้นแต่ว่าตามไม่จริงในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่านักคิดทั้งหลายด้ือว่าวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็ว่าสมองเป็นต้นคิดของเรื่องต่างๆ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 แนวความคิดวิธีของจิตเดินมีมากเพราะนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรวิธีจับให้อยู่จิตให้อยู่เป็นหนึ่งได้นี่แหละเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่งทีนี่เราจะเอาอะไรจะทำให้จิตสงบเป็นหนึ่งได้สมาธินี่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันปุงฟุ้งไปทางอื่นให้มันจิตมีพลังให้จิตมีกาลัง ให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วนี่พิจารณาก็เห็นอะไรได้ชัดอย่างพิจารณากรรมฐานหาก็เห็นได้ชัดเพราะจิตไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นพิจารณาอาการ32ในร่างกายผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่อวในกระดูก ม, า ม, ม้ามหัวใจตับกําหนดดูอะไรเห็นได้ชัดหรือจะพิจารณากระดูกตัวเองในร่างกายมีกี่ท่อนมีกี่อย่างก็เห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัด แล้วเห็นจุดไหนชัดแล้วจากนั้นก็กำหนดดูจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องขยับไปที่อื่นนะดูจุดนั้นจุดเดียวอย่างพวกเราเห็นหัวใจอย่างนี้นเห็นหัวใจชัดในความรู้สึกมันบุบวบบปุบวบบอมันเป็นเหมือนเครื่องสูบฉีดของโรงงานนะอย่าใ น, นหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดมันสูบฉีดอยู่ตลอดเราก็สติจับอยู่ตรงนั้นอะ ดูที่หัวใจไม่ต้องคิดไปทางอื่นดูหัวใจตัวเองเอาจากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้แปลว่าหลวงตาท่านบอกว่าปัญญาโอภรมสมาธิคือใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนคล้ายว่าเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็นํามาจับจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง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 จิตตภาวนาเนี่ยถ้าดูภาวนาดูใจเช่อย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูรู้ไปหมดถ้าไม่ทันใจตัวเองแล้วนั่นแหะเรื่องต่างๆในโลกนี้มันจุงเหยงวุ่นวายไปหมดนะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอย่างสรุปแล้วก็คือใจของเราไปเหยียบรลอยไปหมดเพางั้นแต่ไปก่อเรื่องก่อราวไว้หมดไปคิดปรุงฟุ้งซ่านไปหมด ไปตกแต่งโลกทั้งโลกอยาให้มันเป็นอย่างตัวเองทั้งหมดมันก็เลยยุ่งทั้งหมดเลยท่านนี่ท่านดูตัวเองแล้วมันกระยับออกไปเราก็รู้มันไปทางไหนมันปุงมันฟุ้งออกไปทางไหนมันเศร้าหมองหรือมันผองใสอย่างไรเราจะรู้ได้ถ้าพอใจมันก็เป็นลักษณะหนึ่งไม่พอใจมันก็ลักษณะอย่างหนึ่ง มันออกไปจากในใจทั้งนั้นกระดิกออกไปสติเราจับตัวนี้ได้ทันนั้นน่ะอสรุปแล้วก็คือตัวนี้แนะ่ะจะต้องพิจารณาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันตัวนี้เป็นอนัตตาเยาวะธรรมะอนัตตาทุ่มลงตรงนั้นจุดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทําทั้งสองเงินทั้งเศร้ามองก็ดีทั้งผ่องใสก็ดีทั้งําก็ดีทั้งขาวก็ดี ทั้งมืดก็ดีสว่างก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละไม่ยุดไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นอันนั้นคือทมขั้นสูงสุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนเอาไว้แต่พวกเราถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อจะได้อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะได้นามาคิดนามาพิจารณา หรือว่านำมาพิคิดพิจารณาเลยก็ได้ไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะงั้นาการภาวนาก็ให้ดูกายก็ดูใจเท่านั้นนะอถ้ามันไปหลงที่อื่นกับใจของเราไปหลงดูสิดูใจสิ เ, เพราะนั้นให้ดูใจของตนเองจะไม่หลงถ้าไม่หลงใจตัวเองเราจะไม่หลงอะไรทั้งหมดนะในวันนี้ก็ได้พูดธรรมะพอเป็นแนวทางแต่คิดว่ายืดยาวพอสมควรเอา อย่างนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ